ตอนที่115ถูกจับตัวไปจริงจริงหรือลิวานกําลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยแน่นอนว่านางย่อมไม่อาจทํางานที่ร้านสมุนไพล์ต่อไปได้แม้แต่พาธามก็ยังไม่มีเวลานางจึงแจ้ ง, จงเรื่องนี้แก่หนิงชังเหอซึ่งเขาก็ได้แต่รู้สึกเสียดใจทว่าในขณะเดียวกันก็รู้สึกยินดีไปกับนางด้วยเขารู้อยู่แล้วว่าเด็กสาวคนนี้ฉเฉลียวฉลาดแต่คิดไม่ถึงว่าจะฉะลาดถึงเพียงนี้ต่อไปเขาสามารถเอาไปคุยโวข้างนอกได้แล้วว่าพนักงานในร้านของเขาคือช่วงหยืนการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยระดับเมือง นี่คือเงินเดือนของเจ้าในช่วงที่ผ่านมาส่วนที่เกินมาคืออังเปาที่ข้าให้เป็นการส่วนตัวนิ้งช้างเฮอรกล่าวด้วยรอยยิ้มเบิกบานยินดีด้วยที่เจ้าสอบได้คะแนนดีเช่นนี้และยินดีด้วยที่เจ้าสอบติดมหาวิทยาลัยที่ตั้งใจไว้ขอบคุณค่เท่าแก่ลหวันรับมามุมปากประดับรอยยิ้มบางหากภายหนมีสมุนไพรอะไรน่าสนใจพวกเรายัางร่วมมือกันได้อีกนะคะ นี่คือแน่นอนอยู่แล้วหากเจ้ามีของดีอะไรในมือก็ส่งมาที่ข้าได้เลยต่อให้ราคาสูงกว่าท้องตลาดข้าก็รับหนิงช้างเหรอรับรองอย่างหนักแน่นสรุปคือข้าจะไม่ยอมให้เจ้าเสียเปรียบเด็ดขาดการร่วมมือกับหนิงช้างเหอนั้นหลีหวานรู้สึกพอใจมากเพราะเท่าแก่ที่ใจกว้างเช่นเขานั้นหาได้ยากยิ่งหลีหวานไม่ได้รังอยู่ที่ร้านสมุนไพรานานนักครั้งนี้นางบอกที่บ้านว่าจะออกมาซื้อของหากปรับช้าเกินไปคนในครอบครัวจะเป็นห่วง ในมุมอับสายตาที่ไม่มีใครสังเกตเห็นดวงตาคู่หนึ่งจับจ้องไปยังแผ่นหลังของหลีหวานที่เดินจากไปแววตาสันไหววูบหนึ่งหลีหวานแวะซื้อขนมปี๊บกรอบที่นางชอบกินระหว่างทางกลับบ้านนางกับแม่ชอบกินขนมนี้มากโดยเฉพาะเมื่อกินคู่กับนมสกัดของกินในยุคนี้ทำจากวัตถุดิบแท้ๆไม่มีรสชาติแปลกปลอมเจือปนนางซื้อของเสร็จเตรียมจะกลับบ้านทว่าเมื่อเดินไปเกือบจะถึงปากตรอกข้างหน้าก็ถูกคนขวางทางไว้อีกครั้ง หลิหวานจำชายสองคนนี้ได้คราวที่แล้วพวกมันทำไม่สำเร็จครั้งนี้เตรียมจะลงมือกับนางอีกแล้วหรือแม่หนูพวกพี่ชายอุตส่าห์เสียแรงเสียเวลามาดักรอเจ้าตั้งนานครั้งนี้พวกเราไม่พูดพร่ำทํำเพลงหากเจ้ายอมตามพวกเราไปดีๆรับรองว่าจะไม่เจ็บตัวแต่ถ้าเจ้าไม่ให้ความร่วมมือแล้วใบหน้าสวยๆนี้ต้องเสียชมขึ้นมาก็อย่ามาโทษพวกข้าแล้วกันชายคนนั้นข่มขู่เสียงเฮี้ยมพางก้าวบีบคั้นเข้ามาตกลงหลิหวานตอบรับทันควันทำเอาชายทั้งสองชะงักไป อ, อะไรนะ เด็กสาวคนนี้กำลังเล่นตุกติกอะไรอีทำไมถึงตกลงไงไ่ายดายเช่นนี้นางคิดจะทำอะไรกันแน่ข้าว่าพวกเราอย่ามัวเสียเวลาพูดไร้าสาระอยู่ที่นี่เลยรีบส่งตัวนางไปจะได้จบงานเสียทีใช่ทั้งสองกระสิบประซาบกันไม่กล้าคิดแผนอื่นอีกเพราะเกรงว่าจะมีใครโผล่มาขวางกลางทางเหมือนคราวก่อนลีวันเห็นว่าพวกมันไม่ยอมเลิกราหาักไม่สำเร็จนางเองก็อยากจะเห็นชมหน้าที่แท้จริง ของเจ้านายเบื้องหลังพวกมันเช่นกันหลีหวานยอมให้ความร่วมมือเดินตามพวกมันไปแต่โดยดีหลีหวานยังไม่กลับบ้านเสียทีหลีชิงพิงรู้ดีว่าลูกสาวไม่ใช่คนเที่ยวเล่นจนลืมเวลาเป็นไปไม่ได้ที่จะหายไปนางขนาดนี้นางตบหลังลูกชายในอ้อมกอดเบาๆอย่างใจลอยพลางเฉเงื้อเขามองออกไปข้างนอกหรือว่านางจะอยู่ในห้องจนไม่ได้ยินเสียงตอนหลีหวานกลับมามองหาอะไรอยู่หรือเจ้างวินฉงเดินเข้าประตูมาเห็นท่าทางของหลีชิงพิงเข้าพอดีเขาจึงยกยิ้มมุมปาก คิดถึงข้าหรือเสียหวานกลับมาหรือยังคะหลี่ชิงถิงไม่มีอารมณ์จะล้อเล่นกับเขานางถามด้วยสีหน้าจริงจังเมื่อครูคุณเห็นเสียหวานบ้างไหมเมื่อสองชั่วโมงก่อนนางบอกข้าว่าจะออกไปซื้อของประเดี๋ยวเดียวก็กลับแต่นี้ผ่านไปนานขนาดนี้แล้วทำไมยังไม่กลับมาอีกซื้อของอะไรเสียวหวานไม่ได้อยู่ที่บ้านเจิงอวินฉงหุบยิ้มทันทีน้ำเสียงเปลีป่ยนเป็นเคร่งขรึมนางอาจจะเจอเรื่องสําคัญระหว่างทางจนเสียเวลาหรือเปล่า เจ้าอย่าเพิ่งร้อนใจไปข้าจะออกไปดูให้เองข้ากังวลว่าจะเกิดเรื่องเหมือนคราวก่อนลี่ชิงพิงขมวดคิ้วแน่นในใจข้ารู้สึกไม่สงบเลยคุณรีบไปเถอะคะ่ะตกลงเจิ้งอวิ๋นชงรีบออกไปทันทีเขารู้ดีว่าลี่ชิงพิงเป็นห่วงต้องรีพาลูกสาวกลับมาให้ได้เมื่อเห็นว่าเสียหวานปลอดภายนางถึงจะวางใจลี่ชิงพิงรอแล้วรอเล่าครั้งนี้ไม่เพียงแต่เสียหวานที่ยังไม่กลับแม้แต่เจิ้งอวิ๋นชงก็ยังไม่กลับมา เจ้าชุนฮวาและผู้เท่าเจิ้งเองก็รู้เรื่องที่เสี่ยววานยังไม่กลับมาแล้วพวกเขาจึงรีบไว้วานคนรู้จักให้ช่วยกันออกตามหายิ่งดึกข้างนอกก็ยิ่งไม่ปลอดภัยคุณแย่าพวกเราออกไปตามหาเสี่ยววานด้วยเถอะครับเจ้งเซ้าซิงกล่าวอย่างร้อนรนพวกเรานั่งรออยู่ที่นี่เฉยเฉยก็ไม่ได้อะไรเพิ่มคนไปอีกคนก็เพิ่มแรงได้อีกนิดไม่ได้เจ้าชุนฮวาไม่ยอมให้เด็กๆออกไปหาคนกลางขํากลางคืนประเดี๋ยวเสี่ยววานหาเจอแล้วแต่พวกเจ้าสองคนดันหายไปแทนจะยุ่งกว่าเดิม พวกเขาต้องรออยู่ที่บ้านอย่างสงบโดยมีนางคอยเฝ้าไว้แม่ค่าาจะออกไปดูหน่อยลี่ชิงพิงพูดพรางจะส่งลูกชายให้เจ้าชุนหววอุ้มน้าเสียงตื่นกระหนกข้าต้องไปหาโจเจี้ยนเยี่ยดูว่าเขารู้เรื่องที่ลูกสาวหายไปหรือเปล่าชิงพิงดึกดื่นป่านนี้เจ้าไปคนเดียวไม่ได้ต้องมีคนไปเป็นเพื่อนถึงจะถูกเจ้าชุนหวาไม่วางใจอีกอย่างโจเจี้ยนเยี่ยเป็นคนดีที่ไหนกันนางไม่มีวันยอมให้ลูกสะพ้ยไปพบเขาเด็กขาด สิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือสงบสติอารมณ์อย่าเพิ่งลนลานจนเสียเรื่องเจ้าชุนฮาวาวิเคราะห์อย่างใจเย็นเสียวันเป็นเด็กอย่างไรพวกเราย่อมรู้ดีต่อให้มีทุรด่วนจริงๆนางก็ต้องฝากคนมาส่งข่าวบ้างแต่นี่ไม่มีข่าวคราวเลยแสดงว่าต้องเกิดเรื่องขึ้นแน่แน่อวิ่งชงไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแล้วไม่ใช่แค่พวกเราออกไปหาเองแล้วจะจบ ก, การหาคนอย่างไรจุดหมายเช่นนี้จะไปหาเจอเมื่อไหร่เจ้าชุนฮาวาดึงมือหลีชิงผิงมาตกเบาๆวางใจเธอเด็กคนนี้มีบุญคุ้มครองไม่เป็นอะไรหรอก จเจ้างเฒ่ายางขมวดคิ้วมุ่นทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวในลานบ้านจึงรีบวิ่งออกไปเป็นเจ้างวินชงนั่นเองและข้างหลังเขายังมีคนตามมาด้วยลีชิงผิงรีบถามทันทีเจอแล้วหรือคะเจ้งางวินชงยกมือบีบแขนนางเบาๆพลางกล่าวเสียงหนักยังไม่เจอเจ้าอยาเพิ่งร้อนใจจะไม่ให้ร้อนใจได้อย่างไรข่าวคราวไม่มีเลยสักนิดลีชิงผิงร้อนใจแทบตายน้ําตาเริ่มร่วงเพาะ เรื่องนี้เป็นความผิดของข้าเองถ้าเมื่อบ่ายข้าไปเป็นเพื่อนเสี่ยหวานก็คงดีทั้งที่รู้ว่าเคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วทําไมข้าถึงได้สะเพร่าขนาดนี้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าหรอกมีคนจงใจจ้องเล่นงานเสี่ยวหวานต่างหากเจิ้งอวินชงกล่าวจบหนิงชังเหอที่อยู่ข้างหลังเขาก็เอ่ยขึ้นทันทีเรื่องนี้มันยาวข้าขอสรุปสั้นๆก่อนเสี่ยหวานถูกเท่าแกแ่แท้ซุนพาตัวไปเท่าแกแ่แท้ซุนคนนี้คงแค่อยากจะแก้แค้นตอนนี้ผู้การเจิ้งได้ส่งคนตามไปแล้วเท่าแกแ่แท้ซุนคนไหนแล้วเกี่ยววออะไรกับหลาาานสาขงข้ เจ้าชุนหวังนุงไปหมดแม่ครับเดี๋ยวเท่าแก่ น, นิงจะอธิบายให้พวกเราฟังเองเจ้งางวินฉงส่งสัญญาณให้นิงช้างเหอพูดต่อหนิงช้างเหอจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ให้พวกเขาฟังทั้งหมดเขารู้เรื่องที่เสียหวานถูกพาตัวไปโดยบังเอิญเมื่อบ่ายวันนี้เขาพบว่าลูกศิษย์สองคนในร้านคือจินหม่านถังและเซวีเชิงใช้หายตัวไปเดิมทีเขาตั้งใจจะเรียกมาอบรมสั่งสอนแต่คิดไม่ถึงว่าจะได้รับข้อมูลที่คาดไม่ถึงเช่นนี้